นี้เราก็ผ่านวิกฤตมาครั้งแล้วครัง้งเล่าร้ายต่อหลายครั้งในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาจะไม่ไรอดจะไม่รอดมาหลายครั้งแล้วเนาะมาถึงวันนี้เนี่ ย, ยก็รู้สึกว่าวิกฤตต่างๆเหมือ น, นจะผ่านไปลสะสภาพต่างๆของร่างกายก็ดูจะฟื้นกลับมาเยอะพอสมควรณวันนี้เลยเนี่ยอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างกับเรื่องราวที่ผ่านมาของความเจ็บไข้เลือดป่วย อืในระยะสองสปีหลังเนี้ยก็การเจ็บป่วยนี่มันทําให้เราได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านจิตใจทําให้เราได้เข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่นด้วยอันที่จริงผมพอได้ทราบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนอืมแล้วก็คิดว่าเราคงอยู่ได้ไม่ไม่ถึงปีใหม่ปีนี้หรอก คิดว่าเราคงอยู่ไม่ถึงปีใหม่แน่ๆมีความรู้สึกว่าคงจะไม่นานอ่ะก่อนปีใหม่เนี้ยเราคงจะต้องจากโลกนี้ไปอย่างแน่นอนมีความมั่นใจแบบนั้นเลยนะอืมแต่ว่าเราสามารถที่จะผ่านวิกฤตนั้นมาได้ผ่านปีใหม่มาได้เราก็รู้สึกว่าเออเราก็ยังมีบุญอยู่ยังไม่ไดบทบุญสะทีเดียวแต่เผ อ, อิญตอนนี้ก็รู้สึกว่า เราไม่ใช่เป็นบุญธรรมดาละอันนี้เป็นบุญจากธรรมมากที่ได้ช่วยเหลือเราอีกประมาณ5วันก็ครบ60เราจะมีความภูมิใจมากถ้ายุเราถึง60สิเพราะว่ามันเป็นจังหวะของช่วงระยะเวลาชีวิตที่เข้าสู่จากวัยผู้ใหญ่ไปสู่วัยชราเราจะได้เป็นภูมิใจที่ได้อยู่ถึงวัยึ ว, วที่เป็นวัยชราวัยชราอย่างอย่างภาคภูมิใจเลยนะ <c oughs> อ่าในสภาพพิการแล้วไปอยู่ในสภาพที่แกด้วยแล้เราก็ภูมิ <c oughs> มใจมาอีก5วันเราก็นอนนึกก็ดีเนาะเราอยู่มันถึง60ปีได้นี่มันก็น่าปูมิใจซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์ไม่เคยคิดมาก่อนเลยชว่า<ม>ชีวิ<อ> <c oughs> ตเนี่ยจะได้อยู่ถึงแกอืมอันนี้มันเกิดจากพลังทำจรงิจรงๆแรกๆที่ดูแลอาจารย์เนี่ยเอ่อก็คิดว่าอาจารย์คงอยู่ได้ไม่นานหรอกเห็นอาจารย์บอกว่าอยู่แค่เพียเก้าปี ดูดิก็ผ่านมาเกือบ15ปีแล้วนะคะแต่เรื่องอันนี้เราก็ไม่ใช่เป็นเพราะตัวเราอย่างเดียวการที่เรามีชีวิตยืนยาวได้ถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องมีส่วนประกอบหลายๆอย่างไม่ใช่เป็นเพราะว่าตัวเราคนเดียวเราก็มีมีหมอดีเนี่ย อ, องประกอบสำนั้นแล้วมีหมอดีมีความรู้ <c oughs> มีความสามารถ แล้วก็มียาที่ดีพอสมควรกับโรคของเร า, าหมอดียาดีแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีพอจะอํานวยความสะดวกกับเราได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีผู้ดูแลผู้ดูแลนก็ว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญมากผู้ดูแลก็ดีนะมีทั้งคน อาสาสมัครมันช่วยดูแลดูเขาดูแลผมด้วยจิตใจที่มีความประทานดีกับผมทุกๆคนเลยสิ่งเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบหมอดียาดีอุปกรณ์ดีแล้วก็ดูแลดีก็ช่วยทำให้เรามียืดยืนยาวมาได้ถึงปัจจุบันนี้แต่อย่างไรเสยก็ตามองค์ประกอบสีอย่างนั้นยังห้ปลอเอี้ยมหอถ้ากับเราต้องมีใจที่ดีด้วยใจที่ดีเนี่ย มันจะต้องทำเอาเองฝึกเอาเองเขาจะทำให้ใจเราดีไม่ได้นอกจากใจของเราจะต้องดีของเราเองอาศัยพลังทำนมีพลังทำช่วยหล่อเลี้ยงซึ่งเราเนี่ยมีครบแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในร่างกายเราจะมีส่วนที่มันที่ป่วยมันก็มีไอ้ที่ไม่ป่วยก็มีไอ้ที่เป็นมะเร็งมันก็มีไอ้ส่วนที่ไม่เป็นมันก็ดี อย่างน้อยเรื่องของรูปใครแคเจ็บก็ยกให้ตัดทางร่างกายแต่เรื่องของจิตใจนี่มันไม่ได้เจ็บใครตามร่างกายไปด้วยหรอกมันต้องแยกกั น, น, นทําหน้าที่อาจารย์พูดเหมือนกับว่าวันเนี้ยเลิกป่วยแล้วซะอย่างนั้นแหละอืมก็มันก็มันจะว่าเลิกป่วยไม่ได้หรอกมันก็ต้องใช้คําที่หลวงปู่อมเขียนบอกว่าสนุกป่วย <c oughs> สนุกป่วย ในในฐานะของเป็นหน no er uh you know, ึ่งเมทีมผู้ดูแลเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราผ่านเรื่องหนักมาเยอะแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้มีแต่เรื่องเบาๆแล่ะไม่ใช่เรื่องหนักละในการที่จะดูแลจากนี้ไปนะคะเหมือนกับว่าหายละเหมือนกับว่าเคพิการเหมือนเดิมเป็นคนพิการที่ไม่ได้ป่วยหนักบางทีเราใจเราดีแล้วเนี่ยโรคไปแค่เจ็บมันก็ไม่รุนแรง ทีมันก็นิ่งมันอยู่แล้วก็สุขภาพร่างกายมันเริ่มฟื้นตัวมันเองมัะเร็งก็ยังทํางานตามที่มันอยู่อาจจะทําไม่ค่อยถนัดนะเราก็ใสศัยสว่วที่ช่วยเหลือเราได้เรื่องของจิตใจเรื่องของอาหารแล้วก็ทําไปแต่เรื่องของโครคภัยไข้เจ็บก็ให้หมอหมอก็าเอาชนะไม่ได้อืจนกว่าจะให้มะเร็ง ม, มัน เต อ, <laughs> อนนี้เนี่ยผลเลือด ก, ก็ดีขึ้นทุกครั้งแล้วก็การให้เซลลของคุณหมอโอรานก็ใกล้ขึ้นสุดแล้วครั้งหน้าก็จะเป็นครั้งสุดท้ายภายในช่้นเดือนนี้ละหลังจากเดือนนี้ไปก็ถือว่ากระบวนการรักษาที่เราสุบเนื่องกันมายาวนานเนี่ยเรียกว่าถึงเป้าหมายส่วนร่างกายจะดีขึ้นมากไหยแค่ไหนก็ว่ากันไปออื <laughs> ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากที่ทนอยู่มาทนถึงวันนี้เพราะว่าหลายหลเดือนที่ผ่านมาเนี้ยทำใจมาหลายรอบเลยว่าจะไปแล้วมางคนก็ไว้ป้อนใ้เราหายไปไว้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งส่วนตเวว่าแใจอธิษฐานจากนี่ยอธทษานนี่หละ ที่ทำให้อาจารย์ผ่านกานึ่งการมาด้วยอาจจะเป็นแรงสนับสนุนตรงนี้ด้วยคือตัวอาจารย์เองก็ใจดีด้วยแล้วก็ผู้คนมากมายที่รู้จักหรือว่าได้ประโยชน์จากอาจารย์เนี่ยก็ส่งแรงใจให้อาจารย์แข็งแรงไหายวันไหายคืนแล้วก็ไม้แต่เนี่ยตอนที่คุณกิ๊กอยู่ที่พมา่าคุณกิ๊กก็บอกว่าไปไหว้พระที่พมา่าขอพรให้อาจารย์ด้วยค ให้ใจหาย์เายวายอะไรอย่างเงี้ยสย <คน S 2> ิ่งศอดิสิิ์ต่างกันเลยคนไปต่างประเทศไปจีนไปบางคาลเทศไปศรีลังกายไปอะไรก็มีแต่ส่งแรงจิตอธิษฐานให้อาจารย์อาจจะมีผลบ้างในส่วนนี้แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือใจของอาจารย์เองซึ่ไม่ไม่ปวดไม่ซ้ำเติมอาจารย์ของร่างกายที่เป็นอยู่ก็เลยช่วยให้ผ่านด่านทั้งหลายมาจนถึงวันนี้ได้ขอบคุณมากมากค่ะซึ่งเสือนี ไอคนปรารถนาดีนะเนี่ยเราก็จะช่วยที่ฐานเราเอาส<ช>ิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้ที่ไหนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมาให้มันช่วยเราบางคนบอกว่าน่จาจะจะหายไวๆแล้วก็ขอให้มีทุกขเวทนาน้อยๆบางคนก็บอกว่าขอให้เดินได้ดูสักหอเยอะไปนี่เราก็เออนี่เป็นสิ่งที่ยติธรรมก็ปรารถนาดีเนี่ยสองคนนี่ไปกับเชียงใหม่ก็ ไปพระธาตุราสุเทศนะมาช่วยๆกันก็ต้องฝากสองท่านที่มาจากเชียงใหม่ฝากความรึกถึงแล้วก็คําขอบคุณไปให้กับคณะจัดงานทั้งทุกท่านเลยนะคะ<ม>ที่ได้ร่วมกันจัดงานเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาว่าเอ้ยไม่ใช่ธันวาที่นมกรายช่วงมกรายที่ผ่านมาว่าสิ่งที่ทุกท่านได้ทําไว้เนี่ยมีผลสำเริจเป็นจริงละ อก็ตอนแรกเราว่าเราจะไม่รอดถึงมกราเนี่ยน่ากลวเพรางานที่เรามั่ง้ำไมเราผ่านมกราเพราะวันนั้นก็ได้ยินว่ามีแยฏิกรรมไปกันมากมายพอสมควรทีเดียวดังนั้นที่ฝนก็ตกหนักแล้วบางคนได้ยินว่าตีตัวจากกรุงเทพเลยนะคะก็ไปร่วมงานโดยเฉพาะไม่ใช่ว่าเป็นคนพื้นที่เองเท่านั้นที่ไปร่วมงานคิดว่าเราผ่านมาถึงจุดนี้ได้ก็ด้วยแรงใจของแยฏิกรรมมากมายที่เป็นกําลังใจช่วย แต่เนื s: mm. <S ้อสิ Ma ่งอื่นใดก็คือใจของอาจารย์ที่รักษากายตัวเองเอาไว้ให้รอดปลอดภัยมาได้จนถึงวันนี้มีคำถามอื่นอีกไหมคะเชิญเลยค่ะที่จุกนะหมดแรงแล้วก็จะได้ให้ของหมอรอดต่อแรงมันมีจำกัดตอนนี้